นะโมทัสสะภควาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะภควโาโ ต, มมาะโะะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะภควาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอาหารยตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมและพระรยสงฆ์เจ้าทั้งหลายาก็ขอสาธยายกล่าวพรณนาแสดงการนอบน้อม ต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อที่จะได้เป็นปัจจัยแก่การที่จะได้ระลึกในการเจริญพุทธานุสติเนในคำพีชินาลังการะท่านกล่าวคาถาแรกเข้าไว้บอกว่าสุขขันจะดุขขันจะสมตายุเปขังนิวิชโยกามะมะกามณีตังอาสรังคาตังสรังคาตาซัมบาวังบาวัง ฮิตาวาคตตังสุคตังนามิที่จริงสาทยายเป็นทำนองก็ได้ใช่ไหมสาทยายเป็นธรรมดาก็ได้อย่างถ้าหากที่โยมสาทยายให้จะมาฟังอะจะมาก็แอบฟังมาทีที่บอกว่าสุขันจาดุขังสมาตายุเปยขังเนวิชโยากามะมกามนิตัง อาสังคาตังสังกตาสัมบวังบาวังหิตาวาคาโตตังสุขาตังนะมหามีพระสุคตเจ้าพระองค์ใดไม่ทรงปรารถนาสุขทุกข์และอุเบกขาที่บรรลุด้วยความสมดุลไม่ทรงปรารถนาสมบัติอันตรหาชักจูงได้และก็ชักจูงไม่ได้ ไม่ทรงปรารถนาสมบัติอันเกิดจากธรรมที่มีและไม่มีปัจจัยประชุมปรุงแต่งทรงละวางไปแล้วข้าพระเจ้าทั้งหลายขอนมัสการพระสุคตเจ้าพระองค์นั้นคือตรงนี้เป็นสำนวนนะบางแห่งจะบอกใช้คำพระสุคตเจ้าพระองค์ใดก็หมายความว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดเนี่ยไม่ทรงปรารถนาแล้วซึ่งสุขและก็ซึ่งทุกข แล้วอุเบกขาโดยปฏิปทาที่มีความเหมาะสมไม่ทรงปราถนาแล้วซึ่งสมบัติสมบัติที่กามชักจูงได้และที่สมบัติที่กามชักจูงไม่ได้ไม่ทรงปราถนาแล้วซึ่งพบที่ไม่ถูกปัจจัยประชุมปรุงแต่งและซึ่งพบที่ถูกปัจจัยประชุมปรุงแต่งทรงละไปแล้วข้าพระเจ้าทั้งหลายนี่นะขอนอบน้อมซึ่งพระสุคตเจ้าพระองค์นั้น เออจากข้อความเนี้ยท่านทำนำมาเป็นบทตั้งอธิบายแล้วท่านก็ขยายนะขยายบอกว่าที่จริงในความหมายตรงนี้ก็คือคำว่าสุขสุขขังสุ ข, ขังในที่นั้นหมายถึงความสุขความสุขนั้นก็คือความสุขทางกายแล้วก็ความสุขทางใจใช่ถ้าความสุขทางกายเ็าเรียกว่าสุขะสหคตากายะวิญญาณจิต สภาวะจิตและสภาวะนมามธรรมเหล่านี้ที่ไปเกี่ยวข้องกับโผฏฐารมณ์ที่กระทบกับอารมณ์ที่น่าปรารถนาที่น่ายินดีที่น่าเพลิดเพลินอยู่ไหมอันนั้นความสุขทางกายก็เกิดขึ้นแต่ถามว่าความสุขทางกายจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีสุขาสหาคตากายวิญญาณจิตคือสภาวะธรรมเหล่านั้นที่เข้าไปเสวยสภาพของโผฏฐารมณ์ที่น่ารักน่าปรารถนาที่มากระทบทางกายยถาวรประการต่อมาคือความสุขทางใจนั้นเน่ะ อัฏฐะของเขาได้แก่โสมนัสใช่ไหมความโสมนัสทั้งหลายฉะนั้นถามว่าพระบรมศ า, ศาสดาเนี่ยพระสุคตเจ้านั้นไม่ปรารถนาแล้วซึ่งสุขใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นสุขทางกายแล้วก็โสมนัสทางใจหรือความสุขในราชสมบัติของพระเจ้าจากักรพรรดิถ้าเราดูว่าพระบรมศาสดาตอนสั่งสมทานบรารมีศีลบรารมีเนขมะปัญญาเป็นต้นจนถึงอุเบขาบรารมีเป็นที่สุดใช่พระองค์นั้นสั่งสม ทานกุศลศีลกุศลหรือทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีเป็นต้นนํามาอย่างมากมายเลยใช่ไหมที่เกิดมาด้วยกําลังแห่งกุศลถามว่ากุศลที่เกิดขึ้นด้วยกําลังแห่งกุศลของพระ อ, องค์นั้นน่ยไม่ว่าจะเป็นกุศลระดับกลางระดับระดับต่ำระดับกลางแม้ระดับสูงสุดนะที่สั่งสมมาตลอดสมัยกําหนดนับไม่ได้ซึ่งความสุขสุดยอดในโลกอันใดพระสุคตเจ้าก็ไม่ทรงปรารถนาซึ่งความสุขนั้น ตรงนี้ท่านแสดงความสุขไว้เพื่ออะไรเพื่อชี้ให้เห็นบอกว่าความสุขที่พระบรมศาสดาได้รับมาตอนเสวยประชาติเป็นพระโพธิสัตว์โดยเฉพาะความสุขในการเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิก็ดีความสุขในการเกิดเป็นเทวดาหรือเป็นพรหมเป็นต้นก็ดีความสุขต่างๆที่พระองค์ไม่เคยได้ที่เป็นความสุขสูงสุดในชั้นของโลกิยะที่ไม่เคยได้สัมผัสไม่เคยพบไม่เคยเจอไม่มีเลย ถามบอกว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นใช่ไหมที่พระองค์สร้างบา ร, รมีมาเพื่อปรารถนาไม่ใช่ไหมั่นตรงนี้เป็นสิ่งที่ควรคิดมากในขณะที่เราท่านทั้งหลายได้สั่งสมอัตยาใสมาในอดีตอัตยาใสที่เราได้สั่งสมมาเป็นไปตามลําดับไม่ว่าจะเป็นทานศีลเนกขมาปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและก็เบขาทั้งอุป ป, ปารมีและก็ปรมัตรบารมีบา ร, รมีธรรมเหล่านั้นที่สั่งสมอบรมมานั้นน่ะมีผลอย่าง คนานับไม่ได้แต่ถ้าหากท่านเหล่านั้นไม่ได้ตั้งอัธยาศาัยเพื่อจะไม่ติดข้องเข้าไว้นะในที่สุดจริงๆเมื่อสมบัติเหล่านั้นตามมาผลิตวิบากให้ผลบุญเหล่านั้นตามให้ผลเนี่ยเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านเหล่านั้นเกิดตัณหาเกิดมานาะเกิดทิฐิในที่สุดจริงๆก็ต้องหลงผิดกับผลของวิบากผลของบุญทั้งหลายที่ดีแสนดีนั่นเองตรงนี้นี่แหละท่านาพระอธิกถาจารย์ทั้งหลายท่านจึงแสดงบอกว่า การที่พระบรมศาสดาพระโพธิสัตว์ทั้งหลายไม่ทรงติดทั้งความสุขทางกายและสุขทางใจนั้นเป็นข้อบ่งบอกว่าย่อมแสดงถึงการละเลยละการมาสุขาลิการุโยคด้วยบทนี้ฉะนั้นการละการมาสุขาลิการุโยคคือการอาสาทัในส่วนที่เป็นเหตุและก็อศาศะทั้นในส่วนที่เป็นผลใช่ไหมอศาศะทันในส่วนที่เป็นเหตุก็คือกลุ่มเกี่ยวกับตัณหาทั้งหลาย หรือพวกวิปลาสธรรมทั้งหลายนี่แหละไม่ว่าจะเป็นสัญญาวิปลาสก็ดีจิตตะวิปลาสก็ดีทิฏฐิวิปลาสก็ดีที่ไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์ทั้ง4ี่ไม่ว่าจะเป็นความงามความเที่ยงความสุขและก็ความเป็นตัวเป็นตนทั้งหลายนี่แหละการคิดผิดการจําผิดการเห็นผิดในวัตถุต่างๆเหล่านี้นี่แหละเป็นเหตุให้สัตว์นั้นเข้าใจวิปลาสคาดเคลื่อนว่ามันสุขจริงๆนั่นแหละสัตว์ทั้งหลายจึงประกอบตนให้ติดแน่นอยู่ใน ในกา마สุขาลิกานุโยคถ้าหากว่าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายติดแน่นในกา마สุขาลิกานิยคพระโพธิสัตว์ทั้งหลายก็ไม่สามารถที่จะบ่มเพาะบารมีให้เต็มบริบูรณ์ได้เมื่อบารมีเต็มไม่ได้พระองค์ก็ตัดสรู้เป็นพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้เพราะปฏิปทาหรือข้อเครื่องดําเนินที่จะนําไปสู่พระนิพพานที่เป็นมัชิมาปฏิปทานั้นต้องไม่เกี่ยวข้องกับกา마สุขาลิกานุโยคใช่ไหม ฉะนั้นในบทนี้ท่านยังบอกพระสุคตเจ้าพระองค์ใดไม่ทรงปรารถนาแล้วซึ่งสุขนั้นสุขอย่างนั้นก็คือรวมลมเบ็ดเสร็จก็คือว่าการมะสุขาริการุโยค ก, การติดข้องในวัตถุกรรมทั้งหลายเป็นต้นที่มีกิเลสกามของเราของเราสัตว์นั่นแหละไปพัวพันไปติดแน่นถามว่าละส่วนไหนก็คือละในส่วนของกิเลสการมวัตถุกรรมนั้นมันมีอยู่ในทุกโลกเลยนะในกายมะภูมิก็เต็มไปหมดในรูปภูมิก็เต็มนะ แม้ในอรูปรภูมิก็มีวัตถุกรรมที่เป็นส่วนของธรรมอารมณ์ซึ่งเป็นปัจจัยทําให้มีความยินดีมีความเพลิดเพลินมีความหลงความยึดติดอยู่ด้วยอํานาจของอุเบกขาที่ละเอียดนะทีนี้ประการต่อมาท่านก็แสดงคําว่าทุกขังคําว่าทุกขังนั้นได้แก่อะไรได้แก่ทุกที่พระผู้มีอระภาคเจ้าได้รับจากการกระทำอะไรนี่ท่านในปัจจุบันเนี่ยพบก็คือบําเพ็ญทุกรกิริยา6ปีใช่ไหม ทุกที่เกิดขึ้นเพราะการบริจาคดวงตาเป็นยังไงใช่ไหมก็มากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้าทุกที่เกิดขึ้นจากการบริจาคเลือดมากกว่าน้ําในมหาสมุทรทุกในการที่บริจาคเนื้อบริจาคหัวใจนะถ้าหัวใจเรือห่าไทยเนี่ยก็มากกว่าผลมะม่วงไหมผลมะม่วงในชมพูทวีทั้งสิ้นเป็นต้นนี่ยนะหรือ เนื้อที่ต้องสละหรือต้องตัดให้เป็นทานนั้นมากกว่าขุนเขาสินเนรุนั่นแหละท่านทั้งหลายก็ไปพิจารณาดูเถิดว่าทุกข์ไหมล่ะทุกข์ต่างๆเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่พระโพธิสัตว์ไม่ใช่สิ่งที่พระพุทธเจ้าปรารถนาแต่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าจะต้องประสบและจะต้องเจอแต่เมื่อเจอสิ่งเหล่านั้นนะพระองค์วางใจยังไงโนาจึงไม่เกิดอาร์ทีนะวะ ไม่เกิดโทษไม่เกิดโทสะไม่เกิดความเครียดไม่เกิดความกังวลใช่ไหมอ๋อพระองค์ปฏิดำเนินตามปฏิบัตินั่นเองใช่ไหมศีลสมาธิปัญญาหรือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรสัมมาวาจาสัมมากรรมันตสัมมาชีวสัมมาวายมสมาสติแล้วก็สมาสมาธิคือปฏิบัติที่เป็นมัชฌิมาปฏิบัติที่พระองค์ทรงดําเนินนั่นเองเป็นปฏิบัติที่ทําให้พระองค์นั้นผ่านพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย ความทุกในการให้ดวงตาเป็นทานความทุกขในการที่จะสละบุตรและสละภรรยาสะละราชสมบัติ น, นะนะถ้ายัางโยมถ้าศึกษาเกี่ยวในเรื่องของพุทธวงศ์ใช่ไหมพุทธเจ้าบางพระองค์เนี่ยบริจาคลูกแล้วเขาหักคอลูกโดนหน้าเลยเลือดของลูกกเด่นติดเลยเนี่ยนะลองคิดดูอย่างนี้นะโอ้โหทุกไหมละ่ะถ้ามาพิจารณาอย่างนี้เราก็จะเห็นว่ามาึ การะปาฏนาพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องยิ่งใหญ่จริงๆเนะีจะต้องวางใจอย่างสูงสุดฉั้นทุกในการเวียนไหยตายเกิดในนรกอีกนับไม่ถ้วเนเลยนะที่จะต้องโหพบปราฏนาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนับ20อสงไขยยิ่งด้วยแสนมหากับกว่าที่จะคิดในใจเปล่งวาจาออกมารวมเบ็ดเสร็จ16แล้วก็ทั้งกายทั้งวาจาและใจอีก4อสงไข ย, ยิ่งด้วยแสนมหากร ทำไมถึงยาวนานปานนั้นนั่ น, น, นแหละความทุกข์ที่พระองค์จะต้องเจอกับชาติทุกข์ชาราทุกข์มราณะทุกข์เออเราก็เจอนี่ใช่ไหมย20สิสงค์ไถ่ผ่านมา4ี่สิบแปดว่ายิ่งกว่านั้นก็เจอมาแต่ทําไมเนาะเราไม่เห็นทุกขสัตย์เออทาไมเราไม่รอบรู้ทุกขสัตย์นั้นเราไม่ได้ตั้งยาตาปริญญากันไว้พอยาตาปริญญาไม่บริบูรณ์ตีรณปริญญาก็ไม่ชัดเจนพอตีรณปริญญาไม่ชัดเจนแลไม่ต้องพูดถึงปะหานะปริญญา ในการที่ใจของเราจะละคายถ่ายถอนในการที่จะละชันธราคะคือความยินดีพอใจในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ฐานะจริงๆนะทำไมาพิจารณาอย่างนี้โอ้เราเองถูกอะไรถูกโมหะปิดกัน้นถูกตันหาประกอบไว้เป็นยางเหนียวมีเป็นเหตุทำให้เราทำกุศลกรรมบ้างอกุศลกรรมบ้างแล้วก็เวียนไหวตายเกิดเราอยู่กับทุกข์เกือกลัวกับทุกข์แต่ไม่เห็นทุกข์ เออเราไม่เข้าใจความจริงของทุกเลยแต่พระโพธิสัตว์อยู่กับทุกเกลือกกลัวกับทุกท่านเห็นทุกแต่คนเห็นทุกแต่ไม่ยอมออกเพราะมีกรุณาและมีปัญญาเป็นตัวกระ ต, ตุ้นเตือนและคอยกระ ต, ตุ้นเตือนและชักนําอยู่ตลอดเวลาก็ลองคิดเถินนะถ้าเราท่านทั้งหลายเห็นทุกอย่างพระโพธิสัตว์เห็นเรากล้าไหมที่จะปราถนาอย่างท่านใช่ไหมเออมันไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กๆนน้อยเลยลองมาพิจารณาอย่างนี้ก็จะเห็นว่านี่ไง ที่บอกทุกในการเวียนไหวาตายเกิดในการจากพบสู่พบจากขันสู่ขันจากภูมิสู่ภูมิโดยเฉพาะทุกในอบายภูมิเริ่มตั้งแต่เวจีไปเลยนะพระสุคตเจ้าไม่ทรงปรารถนาแล้วซึ่งทุกขเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นชาติทุกชราทุกขมรณะทุกข์ความโศกความล่ํายลําพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายพระองค์ไม่ได้ทรงปรารถนาความทุกขเหล่านั้นเลย ไม่ทรงปราถนาฉะนั้นตรงนี้ท่านพระอธกถาอาจารย์นก็บอกว่าพระโพธิสัตว์ทรงละอัตตกิริมัฐานุโยกแล้วด้วยคําว่าทุกขังในที่นั้นส่วนอีกสับหนึ่งคําว่าสมานุยุเปฆังบอกว่าอุเบขาด้วยปฏิปทาที่สมดุลหรือที่เหมาะสมอุเบขาในที่นั้นท่านจัดเป็นจตุทะชานนะเพราะจตุทะชานนั้นเป็นชานที่มีสติบริสุทธิ์สติบริบูรณเพราะอุเบขาอันใด ที่ได้ด้วยอะไรนะได้โดยมัชิมาปฏิปทานเว้นจากส่ว น, ส, วนสุดต่งสองประการเนี่ยก็แปลว่าอะไรแปลว่าอุเบกขาที่ตนเองได้หรือที่พระโพธิสัตว์ได้ที่เป็นจตุตจานนั้นนะ่ได้มาเพราะทรงละเว้นจากการมาสุขคัลิกานุโยกและอัตตกิรัมธานุโยกฉะนั้นจตุตชานที่มีสติบริสุทธิ์เพราะเป็นเจตุตจารที่อยู่บนฐานของมัชิมาปฏิปทานนะ ไม่ใช่เป็นจตุทะชานของเดรธีนิคนหรือเจ้ารัฐีภายนอกเนะพอพิจารณาอย่างนี้โอ้จึงเป็นอุเบกขาที่ประกอบไปด้วยองค์หประการนะที่ได้มาโดวยวมุติก็คืออราธผลเออมีเจตุทะชานเป็นบาศไม่ได้โอ้มีจตุทะชานเป็นบาศการที่พระบรมศาสดาที่ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั้นนะนะพระองค์ตรัสรู้จากการได้เจตุทะชานเป็นบาศฐานแล้วออกจากจตุทะชานก็เจริญอริยมรรค อันประกอบด้วยองค์แปดประการเป็นต้นเนี่ยนะในการที่จะใครควรในการเจรพิจารณาเอาเป็นบาตฐานในการที่จะแทงตลอดอริยสัจพระสุคตเจ้าก็ไม่ทรงปรารถนาแล้วซึ่งอุเบกขาโดยปฏิปทาที่มีความเหมาะสมนั้นๆท่านอธิบายบอกว่าพระสุคตเจ้านั้นทรงปรารถนาเฉพาะอะไรเฉพาะอนุปาธาปริณีพานเท่านั้นเพราะอนุปาธาปริณีพานเป็นคุณธรรมที่ให้บรรลุหลังจากได้ วิมุตติยานทัศนะใช่ไหมคือความรู้เห็นในวิมุตติตามความเป็นจริงแล้วสรุปแล้วตรงนี้คืออะไรนะืก็คือบอกว่า <c oughs> อนุปาทานรินิพานเนี่ยถามว่าพระองค์ได้แล้วหลังจากที่พระองค์ได้ตัดสรูุนุตตะสัมมาสัมโพธิญาณแล้วปัญญาที่เข้าไปตัดสรุนุตตะสัมมาสัมโพธิญาณนั้นจริงๆแล้วต้องบอกได้แก่ปัญญาที่ในอาราธมรคแต่เมื่ออาราธมักเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมรคานันตะผล คืออาราธผลก็เกิดขึ้นติดต่อกันโดยไม่มีระหว่างขั้นเป็นอนันตระปัจจัยสมนันตระปัจจัยสมนันตรูปนิตรยปัจัยนัตถิปัจจั ย, จจยวิคตะปัจจัยเป็นต้นบอกโอ้เกิดขึ้นติดต่อกันโดยไม่มีระหว่างขั้นเมื่ออาราธผลที่ดับลงแล้วต่อมาปัจเจกนาะยานนะซึ่งเป็นปัจเจกนาะยานของพระอรหันตตาเจ้าทั้งหลายเป็นของพุทธเจ้าทั้งหลาย ก็ไปพิจารณามรรคพิจารณาผลพิจารณากิเลสที่ละพิจารณากิเลสที่เหลือโอกิเลสที่ละมีอยู่แต่กลิกิเลสที่เหลือไม่มีแล้วนะไปพิจารณาว่าโอ้เนี่ยปัจจเจกนาญดับลงไปเบ็ดเสตร็จต่อมาก็ได้อาสาธนาญานเลยนะมีสัพพัญญุตญาณ น, น, นาวรณญ า, านอินเรียปโรเปรติญานเป็นต้นมหากรุณาสมาปฏิญานอาศยานุสยาญานเป็นต้นเนี่ยนะ เมื่อได้อย่างนั้นแล้วเนี่ยนะต่อมาก็คือว่าพระสุคตเจ้าไม่ปรารถนาซึ่งอุเบกขาเหล่านั้นแต่พระองค์ทรงปรารถนาซึ่งอนุปาธาปริพานทีนี้ถ้าหาก่าพิจารณาอย่างนี้จะเห็นบอกว่าเออการดับกิเลสโดยไม่มีอะไรเป็นปัจจัยเนี่ยนะเป็นเหตุถือในปฏิสนธิในพบต่อไปเนี่ยนะดับโดยไม่มีเหลือดับไ ม, ม่ยึดถืออะไรเนี่ยนะ ภาวะที่แสดงถึงว่านิพพานเนี่ยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยนะก็หมายความว่าอนุปาทาปรินิพานนั้นเป็นจุดหมายสูงสุดของพระบรมศ า, ศาสดาที่พระองค์ทรงปรารถนาใช่ไหมแต่พระองค์ไม่ได้ตั้งแค่อนุปาทาปรินิพานอย่างเดียวนะเมื่อตอนเองได้อนุปาทาปรินิพานแล้วก็ปรารถนาให้สัตว์อื่นได้อนุปาทาปรินิพานด้วยตรงนั้นต่างหากพระองค์จึงต้องเพียรพยายามในการที่จะบ่มเพาะบารมี30นะ อาบารมี30นั้นหนุนอะไรหนุนโพธิปัจฉิยธรรม37ประการคือหนุนสติปทานส ม, มปทานอิทิบาทอินทรีย์พระโพชฌงค์แล้วก็อริยมรรคมีองค์8ก็แปลว่าทําสติปทานเป็นต้นให้แข็งแรงเนะี่ยเราก็ลองมาตรวจ ด, ดูเลยนะกายานุปัสสนาของเราก็ยังไม่แข็งแรงเนาะเวทนานุปัสสนาจิตานุปัสสนาดมานุปัสสนาเนี่ยสติปฐานเหล่านี้สติที่จะไปพิจารณารูปกายก็ไม่แข็งแรงพิจารณาเวทนาก็ไม่แข็งแรง พิจารณาวิญญาณเนะี่ยคือจิตก็ไม่แข็งแรงพิจารณาสัญญาขันและสังขารขันก็ไม่แข็งแรงสรุปแล้วเนะี่ยสติเจตสิกหรือสติของเราท่านทั้งหลายไม่ได้รับปัจจัยเพียงพอนะไม่แข็งแรงในการที่ตามระลึกได้ในกิจที่ทำและคําที่พูดเป็นต้นที่เกี่ยวกับกายเวทนาและจิตยังไม่แข็งแรงนะอันนั้นเป็นหน้าที่ทั้งหลายที่เราท่านทั้งหลายต้องให้หาอาหารคือให้ปัจจัยของสติสัมปชัญญะแล้วก็วิริยะเป็นต้น ประการต่อมาคําว่ากามามมนนีตังนะนะกามามมนนีตังนะี่เรียกว่ากามะกามามันีตังเป็นต้นบอกว่าสมบัติที่กามชักจูงได้ได้แก่อะไรนะพระสุคตเจ้าไม่ทรงปรารถนาสมบัติในภพที่กามตัญหาชักจูงเออกามกามมนีตังก็คือกามที่สมบัติที่กามชักจูงได้คือไม่ทรงปรารถนาสมบัติที่ปรารถนานะ ทีกรรมกรมมัตราชักจูงเยอะแยะหมดเลยนะถามว่ากรรมมัตรานเขาชักจูงไปในอะไรในรูปที่สวยๆเสียงที่พะฟกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสนิ่มๆเนี่วันวันหนึ่งเราก็ถูกการมมัตราชักจูงเฮะเราปรารถนาเราต้องตั้งอัตยาสายว่าต่อไปเข้าไปเจ้าจักไม่ปรารถนาสมบัติที่การมมัตราชักจูงได้ใช่ไหมคือต่อไปจะไม่เป็นธาตุของการมตัตหานั่นเองแต่ถ้าไปเป็นธาตุของพระวัฒนาย่งยังเสียหายอยู่นะ สรุปแล้ ว, ลวเราจักเป็นทาตของพระพุทธเจ้าแต่ไม่เป็นทาตของกามาตนหานีก็ตั้งอจายาศัยส่ยสวนการว่าอกามณีตังแปลว่าอะไรสมบัติที่การชักจูงไม่ได้ก็จะแก่อะไรเดีไม่ปราถนาโลกุตระสมบัติที่ทรงได้มาด้วยการละกามฉันทะเอ๊ะทำไมไม่ปราถนาตรงนั้นบอกว่าโลกุตระสมบัติเนี่ย ที่ทรงได้มาด้วยการละกามฉันทะถามว่าพราะองค์ปราถนาไหมโลกุตรสมบัติที่ละกามฉันทะคือโลกุตระสมบัติประเภทไหนถามบอกว่าอรัตมรักอราัปตนเนี่ยละกามกามะกามตนาไหมพระองค์ปราถนาตัวนั้นไหมเออไม่ได้เป็นผู้ทีเจ้าเพื่อปรารถนาการเข้าสมาบัติเนาะไม่เคยเลยนะโอ้โหทำมาพิจารณาให้ลึกซึ้งเราจะเห็นคุณของพระองค์อย่างมากเลยนะ ว่าการอยู่ในสมาบัติกล่าวคือพระสมาบัติเนี่เป็นสุดยอดของพระอาหารหันต์ทั้งหลายโดยเฉพาะอรหัตพระสมาบัติถามว่าท่านจะสงบจะสุขจะเย็นจะมีความปลอดโปร่งโล่งและเบาสักแค่ไหนแต่สมบัติเหล่านั้นพระองค์ไม่ได้ปรารถนานะทั้งๆที่เป็นสมบัติที่ได้มาด้วยการเป็นตัวละเลยละอย่างเด็ดขาดเป็นสมูเชท่าปหารเลยนะอรหัตมรคนี่ใช่ไหมละามการมฉันท์เนี่ยแบบสมูเชท่าปหารละได้อย่างเด็ดขาดด้วย ไม่ว่าจะตั้งแต่อนาคามิมักกัาลลาะกาเมชันธาได้แล้วแล้วก็อรหัตมักกัาลละภาวะราคะรูปราคะแล้วก็โรคปราคะละได้ด้วยถามว่าพระองค์ไม่ได้ปรารถนาไม่ได้ปรารถนาโล ก, กัตุระสมบัติอันนั้นและประการหนึ่งนะถ้ามองให้ลึกลงไปอีกนะไม่ปรารถนานิพพานที่อรหัตผลออกมาเป็นอารมณ์ได้นิพพานอย่างนั้นพระองค์ก็ไม่ได้ปรารถนา เคยสงสัยไหมพงปรารถนา น, นิพนธ์เยอะไหมทำไมไม่ปราถนานิพนธ์ที่อาราถผลสามารถเชื่อมโยงเอามาเป็นอา ร, รมณปัจรรปปจัยอา ร, รมณาธิปติปจัยอารมณูปนิเสยปัจจัยได้เพราะอะไรเพราะอันนั้นเป็นสอุปาทิ่เสศนิพนธ์เป็นนิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับการจะต้องใช้นามขันสีไปรับออกมาเป็นอารมณ์พระองค์ไม่ปราถนาให้มีนามขันไม่ปรารถนามีรูปขัน ฉะนั้นพระองค์จึงไม่ปรารถนานิพพานที่เกี่ยวข้องกับขันแต่พระองค์ปรารถนาอะไรอนุปาธาปรินิพานการดับโดยไม่มีขันการดับกิเลสโดยไม่มีรูปขันไม่มีเวทนาไม่มีสัญญาไม่มีสังขารไม่มีวิญญาณขันนั่นแหละคือพระพุทธเจ้าปรารถนาอนุปาธาปรินิพานนั้นไมื่อทํา อ, อย่างนี้เราจะเห็นโอ้โหความปรารถนาของพระองค์เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้เลยนะแต่เพื่อใครล่ะนะ เพื่อเราแท้แท้เนหน็ดเหนื่อยบันนั้นนะจริะจริงๆสุดยอดที่ท่านจะปรารถนาตรงนั้นถ้าท่านจะทําได้นเนี่ยสยี่จะสมไขท่านได้ทันทีแต่ทําไมท่านต้องมาทรมานไอ้แดงนั้นเป็นโจทย์อย่างใหญ่โตเลยที่เราด้านต่างหลายจะต้องมาขบคิดกันกันให้มากนะคิดจนเห็นคุณเนะี่ยถ้ายังไม่เห็นคุณก็ต้องคิดต่อไปเนี่ยเนะ้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่ากามณีต่างสมบัติที่การชักจูงได้แต่แก่พระสุคตเจ้าไม่ทรงปราถนาสมบัติที่ปรารถนาของที่ความปรารถนาของพระองค์ชักนํา คือความเป็นพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้กระทําอภินิหารตามความปรารถนาเออจริงๆนะถามว่าความปรารถนาเนี่ยไม่ทรงปรารถนาสมบัติที่ความปรารถนาของพระองค์ชักนำนะคืออะไรคือความเป็นพระพุทธเจ้าเป็นสมบัติอย่างหนึ่งนะการเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงต้องการกระทําอภินิหารไม่ได้ปรารถนาตรงนั้น แทบมูลบาทของพระทีปังกรสัมมาสมัมพุทธเจ้าแล้วก็อดกั้นทุกข์อันเกิดขึ้นเพราะการบริจาคดวงตาเป็นต้นในการที่กําหนดนับประมาณมิได้ซึ่งได้มาด้วยความยากลําบากอย่างใหญ่หลวงไหมยหญ่ใหญ่หลวงใช่ไหมพระสุคเจ้าทรงสละแล้วซึ่งความอะไรในทุกข์ที่ทรงได้รับความได้รับเพราะความปรารถนาของพระเจ้านะถ้าถามว่าความสุขเนี่ยที่เกิดขึ้นจากการปรารถนาเป็นพระเจ้าได้ไหมในภพชาติ เมื่อปรารถนาเป time, <Pa. S 1> source, ็นพระเจ้าแล้วเนี่ยเมื่อทําบุญทํากุศลกุศลเหล่านั้นส่งผลไหมเมื่อส่งผลน่ยไอสิ่งต่างๆเหล่านั้นความสุขเหล่านั้นพระองค์ติดข้องไหมเห็นไหมหรือความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นจากการบริจาคดวงตาเป็นต้นที่เกิดขึ้นจากความปรารถนาเป็นพระเจ้าพระองค์ปรารถนาความทุกข์เหล่านั้นไหมแล้วติดข้องในความทุกข์เหล่านั้นไหมฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากการปรารถนาเป็นพระเจ้าความสุขที่ ความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการปรารถนาเป็นพระเจ้าที่พง์ที่องค์ได้รับมาทั้งอัาทะทั้งอารทีนะวะทั้งสุขและทุกข์ที่ได้มาอย่างมากมายสุขมากเท่าไหร่ก็ทุกข์มากเท่านั้นอันนี้เป็นเรื่องที่เห็นนะถ้าเราท่านทั้งหลายได้รับสุขมากเท่าไหรนะ่เยเราจะทุกข์มากเท่านั้นน่ากลัวไม้มล่ะเอาปัจจุบันนีพบเนี่ยเราได้รับสุขเยอะกว่าคนอื่นไหมนั่นแหละเราก็จะต้องได้รับทุกข์มากกว่าคนอื่นเนี่ยนะโอ้หน้ากลัวจริงๆนะใช่ไหมใช่ คนที่รับสุขเท่าไรก็จะรับทุกข์เท่าประมาณนั้นเนพราะมันเทียบกัน เ, นเพราะอะไรจริงๆมันก็เท่ากันนั่นแหละคนที่รับทุกข์อยู่แล้วพอเขาได้รับทุกข์เขาก็ไม่ค่อยจะสะเทือนสถทานเท่าไหร่ใช่ไหมแต่คนที่เคยสุขอยู่แล้วอยู่ต่อมาต้องเป็นกลับหน้ามือหลังมือนี่โอ้โหวันนี้เรา ย, ยืนอยู่ในสิ่งที่แวดล้อมไดบาา้บริวารฆ่าท่าบริวารไปอีกวันหนึ่งเนี่ย เรากับไม่มีใครเป็นบริวารเราเลยหันไปบอกใครไม่มีใครสนใจมีกลางคนด่างก็วิ่งหนีกันทั้งคุกทั้งหมดถ้าถึงวันนั้นจริงๆเอาแค่ว่าเอาแค่ว่าเกิดสงครามเนี่ยกลางเมืองขึ้นมาเนี่ยเนาะแค่ว่าโอ้โหบ้านแตกสลายขาดแค่นี้ยคนที่มีบริวารแค่ไหนเรียกเขาก็ไม่หันมาแล้วทุกคนวิ่งหนีกันหมดเนี่ยเนาะเอาแค่ตรงเนี้ยไม่ต้องพูดถึงในนรกถ้าไปถึงในนรกว่าเอ้ยนี่ฉันเป็นเจ้านายคุณนะเขาหันมาไม่สนใจแล้วไฟวิ่งมาตามข้างหลังใช่ไหมเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆ คำวิจารณนางนี้บอกโอ้โหนี่เป็นเรื่องสมมุตรจริจริงๆเนาะนี่มันสมมุติกันเนี่ยเนี่ยแต่สมมุติแบบนี้เตดกันเหลือเกินเนี่ยนะเตดมากตอนนี้ก่อนนะมาโอ้โไปมีลูกศิษย์ลูกค้าเยอะเยอะไหมสอนหนังสือสอนเยอะๆตอนส ม, มัยก่อนป่วยเนี่ยโอ้ยทาไมเยอะเหลือเกินเนี่ยล้อมหน้าล้อมหลังเราคิด ว, ว่าไม่ติดนะขนาดเป็นพ้ายกำลังใกล้ควนเนี่ยนะมีอยู่วันหนึ่งพอไปนอนป่วยอยู่คนเดียวโอ้โหเดนทุกข์เล ย, เ น, ยนอนเหงาอยู่เนยเอต้องวางจิตตั้งนานเนี่ย อ, อย่าไปคิดว่าจะไม่ติดนะถามว่าเชื่อไหมว่าเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นด้วยปัญญาทุกขณะระหว่างปัญญากระตันหาไหนเกิดมากกว่ากันเมื่อเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นไม่เราเกี่ยวข้องกันเนี่ยเมื่อกี้ที่เล่นเครื่องคอมพิวเตอร์อยูนะ่ระหว่างปัญญากระตันหาไหนมากกว่ากันนะระหว่างปัญญากรนะโถซาอะไรไหนมากกว่ากันเานี่ยเนี่ยแลว่างปัญญากับมิชาทิฏฐิเนี่ยนะไหนมากกว่ากันลวงพิ่จะอะไรเราจะเห็นชัดเลยอเราขาดการไข้ ค, ควรทุกอนุของความคิดนะ นั่นเพราะว่าลกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเรานั้นไม่มีพญานําหน้าอไม่มีปัญญานําหน้าเหมือนพระบรมศาสดาพระบรมศาสดาเวลาจะขยับเขยือนเคลื่อนไหวอะไรต่างๆมีปัญญารอบรอบรู้หมดเลยปัญญาต้องมาทํากิจในการวิจัยก่อนแล้วยังขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวที่หลังของเราขยับเยื้อนเคลื่อนไปมีอะไรนะรอมหน้ารอมหลังมีทิฏฐิการตัณหารอมหน้าล้อมหลังเห็นไหมฉะนั้นเราจึงเคยชินกับใช้ตัณหากับทิฏฐ <may started inspiration, S 2> ิมาอย่างยาวนานมาก เขาพร้อมที่จะนําเสนอสมองอใช่ผมบางทีใช้ชั้นบางทีตลอดเวลาเลยเนี่ยงั้นตันหากับทิฏฐีเนี่ยเขาจะมาคอยเสนอหน้าในการที่จะคอยแวดลอ้อมกายกรรมวิญญกรรมและมนโนกรรมของสัตว์โลกมาวันนี้เราฉุกคิดมีสติสัมปชัญญะในการที่จะเจริญกุศลเนี่ยนะมาจะมาบ่มเพราะสติและสัมปชัญญะเออสติสัมปชัญญะไม่แข็งแรงพอก็เหมือนที่เราจะไปสักการะเคยบอกว่าเออเราจะไปไหว้พระพุทธเจ้า ไปนอบน้อมพระบรมศ า, ศาสดาเนะี่ยที่ประเทศอินเดียที่เคยเตือนไว้หลายหลายคนเนี่ยทั้งๆ ท, ที่ตั้งหลักไปดีเนะี่ยพอไปก็จริงๆอา้าวหลุดมาลูกกี่ครั้งเนี่ยนะแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดในาการไปคนเดียวดีไม่ค่อยได้พวักพองกับใครหรือไปกับบุคคลที่เขาเจริญกุศลจริจรงๆเนี่ยนะไปไม่ต้องไปมากเนยนะจะได้ดีค่อนข้างเยอะพอไปเบ็เสร็จก็ต่างคนต่างก็เจริญกุศลกันอย่างตั้งมั่น หรือไปสาทยายไปไข้ควรไปพิจารณากันจริงๆถ้าอย่างนั้นกุศลจะเกิดอย่างต่อเนื่องและจะไปด้วยความนอบน้อมวางจิตเป็นแม้กระทั่งกำลังจะออกจากประเทศไทยเนี่ยนะแล้วก็พิจารณาไข้ควรเลยเนี่ยเดินกรรมฐ า, านเดินความคิดเดิมต่างๆเหล่านี้ไปได้ค่อนข้างอย่คล่องแคล่วได้ดีอันนั้นก็ต้องวางจิตให้เป็นนะเพราะเราต้องการไปส ก, การะไปบูชาตรงนี้แหละ ด้วยความยากด้วยความลําบากพระสุคตเจ้าสละแล้วซึ่งความอะไรในทุกข์และสุขที่รับจากความปรารถนาเป็นผู้ได้เจ้าซึ่งมีความอะไรในความเป็นผู้ได้เจ้าที่ทรงได้มาด้วยทุกนั้นถามว่าโู้หลังจากเป็นผู้ได้เจ้าพระองค์อะไรไม่อะไรความเป็นผู้ได้เจ้าไม่ตอนมารมาขออราตนาบอกโอ้อย่าเพิ่งให้ตาถาคตปริยถานเนยตาาคตปริได้เป็นผู้ได้เจ้ามาไม่กี่ปีไม่ไม่สมกันเลยใช่ไหมมันเป็นบรารมีมา20แต่ให้ต ถ, ถาคตเป็นผู้ได้เจ้าได้ทํากิจผู้ได้เจ้าอยู่แค่ 40กว่าวันไอ้สีกว่าปีเนี่ยนะมาพิจารณาบอกพระองค์แม่อะไรตรงนั้นเลยไม่เคยติดข้องในความเป็นผู้ได้เจ้าไม่เหมือนศาสดาอื่นนะไม่ใช่เลยนะถ้าพิจารณานี้เห็นเนี่ยคำว่าอาการมณีตังก็ดีหรือกามณีตังก็ดีมีหลายในนะอาการมณีตังอีกคํานึงสมบัติที่การมชักจูงไม่ได้พระสุขุเจ้าไม่ทรงปรารถนาอะราัผลที่มีนิพพานเป็นอารมณ์ไม่ปรารถนาเลยนะ อาณักผลนี้มีอะไรเป็นอารมณ์นิพพานใช่ไหมมีสัุปาทิ่เสศนิพพานาธาตุเป็นอารมณ์ปราถนาไหมไม่ปราถนาไม่ได้ปรารถนาอาณาจักผลนั้นหลายหลายคนเนี่ยนะเป็นพระอรหันเนี่ยเวลาท่านประสบปัญหาต่างๆเหล่านี้นะประสบปัญหาไม่ทางใจนะทางกายเนี่ยเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นเนี่ยนะแม้แต่ในยุค ข, ของการทําปฐมสังขยาหรือทุติยสังขยนาก็ดีพระที่ท่านหลีกเล่นนะ ไม่เข้ามาุพระธระมปฐมปฐมสังขยาาทุติยสังขยาาก็คือนั่นแหละเข้าพระสมาบาดกันแม้ในยุคทุติยสังขนาสังขยาเนี่ยพระสิค ข, ขวะเออพระสิกขวะกับพระจันทวชีอ่นั่นท่านก็หลีกเล่นนะท่านเมยไม่มาเข้าประชุมกับพระยัสสากันทบุตรพร้อมด้วยบริวารถ้าเออพร้อมด้วยบรรดาพระาหารทั้งหลาย700รลูกแต่ท่านไม่ได้เข้าเนะนะี่ยะและต่อมาท่านเลยโดนลงโทษอ่ะที่ว่า ให้คอยดูแลในการทำตัดิยสังขยนาตอนติดสาพมใช่ไหมที่แปลลาธนาลงมาแล้วก็ท่านก็ต้องรับผิดชอบโอ้อย่างยาวนานเลยท่านคงคิดนะโลอย่างงี้ไม่หนีดีกว่านเ <c oughs> หนื่อยที น, นี้ตรงนี้แต่อาราาผลที่มีนิพพานเป็นลมพระองค์ก็ไม่ได้ปราถนาตรงนั้นการมณีตังนีที่จริงเป็นวิเศษนะของของบาทแรกของบทแรกต้องสัมพันธ์กับคําว่าอาสังคตังโดยที่ไม่ไม่ถูกปัะจัยประชุมวงแตก สังกัตสัมปวังที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนะเข้ากับคําว่าผวังแปลว่พบนั้นฉะนั้นคําว่าผวังพบนี่หมายถึงสมบัติและการเข้าถึงอธิบายยังไงดีคือพระสุคตเจ้าคือพระเจ้าพระองค์ใดไม่ทรงปรารถนาเลยซึ่งสมบัติอันมีมรรคและผลและสัพพัญญตญาณเป็นต้นเออตรงเนี้นต้องไล่ให้ได้นะอาราตมรรคพระองค์ก็ไม่ได้ปรารถนาอาราตผลก็ไม่ได้ปรารถนาสัพพัญญตญาณแหละปรารถนาบ่า อนาวานาญาณอินเทียปรโรปริตญาณอาธณาณาญาณหกก็ไม่ได้ปราถนาเนาะพุทธญาณ14เวณิกธรรม18เวสาลชญาณสี่ทศพุรยาน10นะไม่ได้ปราถนาะพญานเหล่านี้เลยเอ้าทำไมถึงไม่ปราถนาะที่ทรงได้มาด้วยการกระทําให้แจ้งซึ่งบันิพานฌานสมบัติที่มีที่ถูกที่มีอยู่นะที่มีสิ่งที่ถูกบัญญัติเป็นอารมณ์ พอคาสมบัติในพบที่ถูกปัะจัยประชุมปรุงแต่งอันเกิดจากบุญที่กําหนดนับไม่ได้อันใดก็คือว่าโอ้โหพระพุทธเจ้าไม่ติดข้องเลยนะถ้านํามาพิจารณาอย่างนี้ก็จะเห็นอะไรห ล, หลายอย่างนะเห็นอะไรรู้ไหมเห็นบอกว่าสมบัติที่ได้มานั้นยิ่งปราณีตนั้นแสดงว่ามาจากกรรมที่ปราณีตกรรมที่ละเอียดอย่างเราขนาดไ ด, ได้สมบัติที่ไม่ปราณีตเท่าไหร่ใช่ไหมเอาสมบัติของความเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าหยาบนะ ถ้าเทียบกับเทวดาเรายังติดข้องขนาดนี้ถ้าเกิดเป็นสิ่งที่ปราณีตอย่างที่พระองค์ทรงได้จริงๆถามว่าจะเร้าลึงจิตใจของเรามากแค่ไหนอย่างไรเออแล้วเราจะมีโอกาสมาศึกษาพระธรรมไหมเนี่ยโอกาสในการที่จะเงี่ยโสดลงสดับตั้งจิตรับรู้ในการที่จะฟังพระธรรมของพุทธเจ้าแทบไม่มีเลยยิ่งมายุคหลังๆด้วยแล้วเนี่ยไม่มีพระบรมศาสฎาฯนำพระธรรมเทศนาไปประกาศไปเปิดเผยไปบอกกล่าวด้วยแล้วยิ่งโอ้หน่ากลัวใหญ่เลย เพราะอะไรเพราะคนที่แสดงธรรมในยุคนี้ก็ไม่มีปฏิหารทั้งสามเลยเนาะอาเทสนาปฏิหาริยะไม่มีอนุอะไรอิทธิปฏิหาริยะก็ไม่มีแล้วก็อนุสาสนีปฏิหารก็ไม่มีจะหาปฏิหารสามประการได้ดีไม่มีแล้วแปลว่าทั้งผู้แสดงทั้งผู้ฟังเนี่ยนะอินซีอ่อนกันหมดเลยเนี่ยนะ ฉะนั้นแล้วจะกระชากจิตของสัตว์นั้นออกจากกรรมคุณได้ยังไงอย่าแปลกใจนะบางคนฟังพระธรรมอยู่ดีๆนะพออยู่ต่อมาพอเกิดมีความคิดที่หลุดลอยออกไปกลายไปน้องไปหากรรมคุณเยอะหมดไม่ใช่ลายเดียวนะีไม่ใช่สองลายนะีนับไม่ได้ทั้งๆ ท, ท, ที่เคยเกี่ยวข้องกับพระหลหันเอาแค่อย่างพรามนะีที่เป็ น, ท, ปนที่เป็นอุบาสกนับถือภาษาลิบุตรเห็นไหม ที่บอกว่าแต่ก่อนนับถือ พ, พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พออยู่ต่อมาพอห่างพระหน่อยพอพระไม่อยู่หน่อยแค่นั้นก็หันไปทําชั่วอย่างเงี้ยเป็นต้ น, นนะนะนั่เป็นเรื่องปกตินะแต่ปกตินะทํายังไงนาะถ้าเป็นพระเนี่ยท่านจะคิดนะเอยังบยพระพระพุทธเจ้าพระษาริบุตรก็กลัวพระพุทธเจ้าตาหนิเหมือนกันนะไปาทากิจไม่เสร็จดึงยมออกจากวัตถุกรรมไม่ได้ อูอัตมาไม่เคยการแนะนําใครเท่าไหรเดี๋ยวนี้ถ้าใครพูดคํานี้ขึ้นมาอัตมากลัวา่ากเขาวเนี่ยท่านทํากิจไม่เสร็จ เ, นเออคนคนนั้นแต่ก่อนเป็นสมาทิฏฐิท่านเคยเทศสอนอยู่ดีๆเดี๋ดยวนี้ถ้าเขากลายเป็นความเห็นผิดขึ้นมาท่านต้องกลับไปดึงเขามาใหม่นะโอเหนื่อยเลยใช่ไหมดึงใหม่ ย, ยากกว่าตอนเก่าเนี่ยใช่ไหมใช่ไอตอนเก่าก็ดึงยากอยู่แล้วใช่ไหมเพราะจะไปดึงใหม่ต้องใช้ข้อมูลใหม่ลองคิดดูดิปัญญาเราก็น้อย พูดอย่างเก่าๆก็รู้ทันหมดใช่ไหมเออก็ท่านเทศอะไรมาเนี่ยยอมรู้หมดแล้วใช่ไหมยอมฟังมาหมดแล้วเอาข้อมูลใหม่ๆบางที่ที่พูดแล้วสามารถกระชากจิตย้อมมอกจากวัตถุกรรมได้ท่านลองใช้ความสามารถของท่านหน่อยสิโอมหมดท่าเลยนี่จะทําไงเนี่ยไม่รู้จะใช้สูตรไหนเลยตอนนี้ทั้งๆ ท, ที่มีอยู่นะจับสูตรไม่ถูกเนี่ยเพราะปัญญาเราไม่ถึงเนาะฉะนั้นตรงนั้นนั่นแหละต้งบอกว่าโฟคัสสมบัติในภพที่ถูกปัจจัยไปชุมบุงแต่ ง, งั้นเกิดจากบุญที่กําหนดน้ําไม่ได้ ข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระสุคตเจ้าพราะองค์นั้นเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเสวยทำใดแล้วไม่แก่ไม่ตายเอเ ท, ทวดาและมนุษย์เสวยทำอะไรแล้วถึงไม่แก่ไม่ตายทำอะไรนึกออกไหมทำอะไรเอาเทวดาและมนุษย์ที่เสวยแล้วไม่แก่ไม่ตายโลกุตระทำไงใช่ไหแล้วได้เสพได้เสวยกันบ้างหรื อ, อยัง ยังไม่ได้เลยนะยังไม่ได้ส้อมรรคเลยใช่ไหมโสดาปฏิมรรคก็ยังเพราะถ้าได้เสวยโสดาปฏิมรรคมีพระนิพานที่โซดาบรรเป็นอารมณปุ๊บเนี่ยเราจะไม่แก่ไม่ตายอีกเยอะเลยเราจะแก่ตายแค่เจ็ดชาติเองอะอย่างนี้เป็นต้นนะนะก็ลไล่ไปตามระับถ้าลองได้เสวยอย่างเป็นพระอารหัตมรรคอรหัตผลน่ะนะแล้วมีพระนิพานเป็นอารมณ์เมื่ อ, อไรแปลว่า น, นั่นแหละเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเสวยทำใดแล้วไม่แก่ไม่ตายพระริยเจ้าทั้งหลายเราใดเสวยทำเรา นั่นแล้วไม่แก่ไม่ตายข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมพระธรรมในที่นั้นได้แก่มร์สีผล4เนาะแล้วก็นิพพานหนึ่งตลอดถึงพระป ร, ะริยัติธรรมหนึ่งะเพราะว่าตัวชี้แนวชี้ชี้ทางนะชี้แนวหรือชี้แนวทางนั้นคือตัวพระป ร, ะริยัติธรรมนะคือพระไตรปิฎกอันต่างโดวยวินัยยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและอภิธรรมปิฎกนะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยใครได้เสวยป ร, ริยัติธรรมปัจจุบันนี้เราได้เสวยบ้างอย ร, ริยัติธรรมอัรถรส ธรรมรถที่เกิดขึ้นจากการทรงจําพระธรรมคําสอนหรือฟังพระธรรมคําสอนเนาะเมื่อได้คําสอนเหล่านั้นเข้าสู่กระแสจิตปุบ๊บเราก็เอาคําสอนเหล่านั้นมาวิจัยตรงนั้น เ, เราก็เริ่มเห็นอัตถะหินธรรมะนอะอัตต ร, รถธรรมรถปรากฏเกิดขึ้นก็เริ่มได้ปราโมทได้ปีติได้ปสัสธิได้ความสุขจากการไข้รวนพระปริยิธรรมเนาะตรงนั้นแปลว่าพระปริยธรรมนั้นกําลังชี้แนวทางเนาะกำลังจะให้เราเดินเข้าสู่สิกขาสาเพื่อจะเข้าสู่โลกุตละนะ เพื่อจะได้ไปเสวยโลกุตระแล้วเพื่อจะต้องการจะน้อมอะไรน้อมมักนะน้อมอารัตมักอาราตผลเอาน้อมน้อมโลกุตระทั้งมักทั้งผลนะั่นแหละเข้าสู่จิตเมื่อโลกุตระอย่างใดอย่างหนึ่งเข้าสู่จิตใจของท่านผู้ใดเนะีโลกุตระที่อยู่ในจิตแล้วก็จะน้อมออกวิณิพานเป็นอรมณ์เมือนหน้าชื่นใจอย่า ง, ไ, ง ไ, ไรจะได้วันนั้นสัทีใช่ไหมได้มาโดยการอ้อนวอนหรือเปล่าได้มาโดยการให้เหตุปัจจัยนะไม่ใช่โอ้โหปล่อยวางปล่อยวางนี่ไม่ได้เลยนะ รีบปล่อยวางแต่วันนี้ไม่ใช่ต้องสร้างเหตุไปเพื่อถึงจุดตรงหมายปลายทางเพื่อจะจะเข้าถึงความปล่อยวางนั้นไม่ใช่รีบไปปล่อยวางตอนที่ปล่อยวางด้วยราคาตัสามโมหะปล่อยยังไงก็ออกจากตาหูจมูกลิ้นไห้ใจได้อสมมติมีเข้าไปหาใครเอกโอทุกข์เหลือเกินองคนก็เข้าไปหาพระก็บอกโอ้นฉันทุกข์มากหลวงพ่อก็อย่าไปทุกข์ซิลูกปล่อยวางพูดง่ายเนี่ยก็อย่าไปทุกข์ก็ปล่อยวางอย่าไปยึดมันลูก ด้ดยข้อเท็จจริงเนี่ยกว่าจะไปถึงคําว่าไม่ปล่อยวางเนี่ยเหตุปัจจัยเท่าไหร่ใช่ไหมต้องประชุมศีลสมาธิปัญญาเท่าไหร่ไม่บอกว่าพอบอกว่าให้ปล่อยวางปล่อยศีเลเนยว่าปล่อยสมาธิปล่อยปัญญาด้วกว่านี้ยุ่งเลยในตรงนี้เนี่ยเพราะในที่สุดจริงๆแม่สัตว์โลกทั้งหลายก็ไปทําท่าทําทางว่าปล่อยวางได้ แต่จริงๆก็วิ่งออกจากตาออกจากหูออกจากจมูกออกจากลิ้นออกจากกายออกจากใจไม่ได้เอาที่ไปที่จะวิ่งไปไหนก็ได้พบไหนก็ได้ไม่มีทางออกได้ใช่ไหยถึงจะคิดว่าเออเราไม่เอาแล้วเราไม่ต้องการแล้วเราไม่อยากเกิดแล้วคิดไปเถอะคิดจนคิดจนหัวพังอ่ะอก็เกิดเพราะว่าปฏิปทาในการที่จะพ้นจากการเกิดมันไม่ใช่ไปคิดแค่คาว่าปล่อยวางมันต้องสร้างเหตุปัจจัยนะ เหตุของอบรมกายยังไงอบรมศีลยังไงอบรมจิตอบรมปัญญายังไงนั่นแหละคําว่าอบรมในที่นั้นคือการเจริญศีล ส, สมาธิปัญญาจากเจริญได้หรือไม่มันต้องเหตุปัจจัยของศีลสมาธิปัญญาค่อนข้างแข็งแลยมันไม่ได้เกิดจากการปล่อยวางนะมันเกิดจากการพอกคูณนะแต่ไม่ใช่พอกคูณกิเลสนะ พ, พ่อภูนหรือการทําศีลสมาธิปัญญาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นทําศีลสมาธิปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไปบุญยิ่งยิ่งขึ้นไปใช่ไหมแต่ขั้นของการปล่อยวางเนี่ยมันขั้นสูงสุดเมื่ออรหัรมรักอรหัตผลปรากฏเกิดขึ้นแล้วเนะี่ยความปล่อยวางมันเกิดขึ้นเองเป็นผลทีนี้มาสอนเรื่องปล่อยวางเอาไว้เป็นเหตุเลยสลับกันเลยแต่นี่เลยไม่รู้จะตั้งหลักยังไงแล้ววิธีปฏิบัติใช่ไหมนี่มันไปเข้าหลักในคนในยุคปัจจุบันนี้ไง ในยุคปัจจุบันในคนบางคนเครียดมากใช่ไหมก็เครียดมากไปสอ น, น, นก็จะแบกสิลูกเนี่ยจบเลยบอกเออมันจริงๆเนาะเราแบกมาะนานมาฟังท่านบอกให้วางท่านนชื่นใจเหลือเกินเนี่ย เ, ยเข้าใจใช่ไหมตรงเนี้ยนะเนีย่ยประเด็นตรงเนี้ยฉะนั้นตรงนี้ต้องบอกเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสวยธรรมใดแล้วไม่แก่ไม่ตายพระอริยะเจ้าทั้งหลายเหล่าใดเสวยธรรมเหล่านั้นแล้วไม่แก่ไม่ตายเนาะคำคำนี้เป็นกินความของคําว่าเสวยธรรมใดแล้ว มนุษย์เทวดานะี่ยสวยทำใดแล้วได้เสพคุณทำใดแล้วเจริญถึงธรรมะเหล่าใดแล้วไม่แก่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเนะี่ยทุก13กองนั่นแหละไม่ไหลท่วมทับกระแสขันของท่านเหล่านั้นนะ่ยจะยังห่วงแห่งใจของผู้ฟังเนี่บอกว่าขอนอบน้อมพระธรรมและพระยะเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นถ้าท่านก็พรารนาบอกว่าท่านจะยังห่วงแห่งใจของผู้ฟังทั้งหลายนั้นให้เต็มเปี่ยมไปด้วยการ พลนาห่วงน้ําคือคุณของพระพุทธเจ้าคือพระพุทธคุณนะท่านก็บอกว่าเออต่อไปปราถนาท่านทั้งหลายเจริญพุทธคุณกันนะยัญยานุปตะวาสวยรรนะทําใดเนี่ยเทวดาและมนุษยนะ์หาประมาณไม่ได้เนาะท่านได้เสวยโลกุตระทำเก้าเยอะไหมเก้าประการอันใดอย่างโดยการเสพคุณให้เป็นอารมณ์เนาะและการเสพคุณโดยการเจริญภาวนาแล้วก็ได้ไม่แก่ไม่ตาย ได้เป็นผู้พ้นจากแล้วพ้นแล้วจากชาติทุกชราทุกมรณะทุกเนะืพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดพ้นจากการเกิดแ ก, ก่เก็บตายเป็นต้นนะข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมเหล่านั้นส่วนคําว่าเยจานุพุทธวาพระริยเจ้าทั้งหลายเราได้เสวยธรรมไดแล้วนั้นนะพระพิริยเจ้าทั้งหลายมีพระโสดาบันสกาธา น, นาคาพระอรหันต์เสวยคือบรรลุคำว่าเสวยนั้นคือการบรรลุเนะี่ยบรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นต้น ทำใดแล้วไม่แก่ไม่ตายข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระเลยเจ้าเหล่านั้นทั้งที่เป็นคณะหัตทั้งที่เป็นบรรพชิตเลยนั่นเนี่ยส่วนคําว่ามนันนวะสะห่วงแห่งใจท่านก็ตัดบทเป็นมนันนวังกับบอกอัศะก็คือจิตใจนะข้าพเจ้าจะขอยังห่วงแห่งดวงใจของท่านทั้งหลายให้เต็มเปี่ยมด้วยการกล่าวพารฒนาคุณของพระพุทธคุณก็คือว่าเนี่ยต่อไปนะว่างั้นนะให้ศึกษาคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านะ เมื่อศึกษาคําสอนของพระบรมศาสดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเนี่ยจะยังห่วงแห่งใจคือยังจิตใจให้สาธุชนทั้งหลายเนี่ยให้เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจิตใจนั้นเต็มเปลี่ยมไปด้วยคุณของพระธเจ้าจะมีความสุขไหมความสุขก็จะเกิดขึ้นอย่างมากนะเปลี่ยมล้นเนือสัตว์โลกนี่มีความพุกมากนะถ้าหากว่ายังจิตใจนั้นให้เปลี่ยมล้นจากการคิดถึงคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยที่จริงบุคคลที่เขาจะสามารถ เปลี่ยมล้นในคุณของพระผู้มีภาคเจ้าได้บุคคลเหล่านั้นก็จะต้องเข้าเข้าถึงใช่ไหมเข้าถึงคุณของพระพุทธเจ้าและเข้าใจด้วยใช่ไหมที่บอกว่าอะไรนะที่บอกพุทธนะเนี่ยพุทธเจ้านั้นตัดสรู้อริยสัจสี่ปรากฏชัดเจนนะในพรหมายุที่พระพุทธเจ้าตรัสกันไว้นะนะอภิญญายังอภิญญาติภาเวตัพันจะภาวยังปะหาตับพังไปหีนางเมตัสมาพุทธโธสมิพรหมณนะ อภินยายังอภิญญาตีภาเวตัพันตัพันจะภาวิตังปะหาตพังปะฮนางเมตสัสมาบุตโตสมีพระมนาที่บอกว่าดูก่อนพราหมณ์ทำที่ควรรู้ยิ่งเราก็ได้รู้ยิ่งแล้วเราในที่นี้คือพระเจ้าเนาะพระเจ้าได้รู้ยิ่งทำที่ควรรู้ยิ่งได้แก่อะไรได้แก่อะไรอริยสัตว์เนาะทำที่ควรเจริญพระเจ้าจเจริญ น, นี่ยง จเจริญแล้วได้แก่อะไรมรรคนะทำที่ควรละเราก็ได้ละแล้วจะแก่อะไรสมุทัยสัจจานะเหตุนั้นเราจึงเป็นสัมมาสัมพุทธเนี่นะเออสภาวะแห่งการที่ตัดสู้ตัดสู้อริยสัจธรรมทั้ง4ี่คือตัดสู้ทุก์โดยการรอบรู้ตัดสู้สมุทัยโดยการละตัดสู้นิโรธโดยการทําไม่แจ้งตัดสู้มรรคโดยการจเจริญเนี่ยนะสภาวะอันนั้นนะนะสภาวะแห่งการตัดสู้อริยสัจธรรมทั้งสี่นั้นเรียกว่าพุทธ หรือพระพุทธเจ้าใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บุคคลนะควาว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้ามองในอัฏฐะตัวนี้แปลว่าอะไรแปลว่าเป็นสภาวะธรรมแั่นิดหึ่งเป็นสภาวะที่ไปแทงตลอดอริยสัจเป็นครั้งเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นครั้งแรกใช่ไหมไม่เคยมีสภาวะของขันธ์อายตนะธาตุอันใดเลยที่หมุนไปในสังสารวัฏเนี่ยนะหมุนมาอยู่อย่างยาวนานแล้วเออนับนับได้อย่างหลายโกรธกับเลยใช่ไหม ไม่มีสภาวะเอถ้าพระพุทธเจ้าองค์นี้เป็นองค์ที่ 4, ทออสี่ใช่ไหมองค์ที่สามคือใครคืออะไรกัดสปะใช่ไหมแล้วก็พระพุทธเจ้าหลังจากพระพุทธเจ้ากัดสปะมาว่างนานเลยอ่ะนั้นในช่วงนั้นเน่ยไม่มีสภาวะของขันธ์ในแยะนธะาธาธาสั จ, จะนะเนีที่จะมาตัดสรุปเองได้อ่ะนั้นสภาวะแห่งการตัสรู้อริยสัจเสียนะั่นแหะนั่นแหละคือพุทธะอันนี้ไม่ได้พูดถึงบุคคลนะพูดเรื่องขันธ์ แท้จริงก็คือเป็นการตัดทะลุของรูปขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่คือจริงๆโดยตรงคือนามขันแต่นามขันเหล่านั้นถ้าไม่มีรูปขันเป็นที่ตั้งจะตัดทะลุเป็นผู้เจ้าได้ไหมได้ไม่ได้ไม่ได้เลยนะคิดอัธาตรงนี้ถูกนะเนี่ยฟังยากไหมตรงนี้ยมติมฟังยากเนะยากเนาะตรงนี้หมายถึงสภาวะนะพุทธะคเนี้เช่นพุทธะไม่ใช่เจ้าชายทิฏฐานเนี่ยไม่ใช่เป็นตัวสภาวะนามธรรม ที่ตั้งอยู่บนรูปธรรมแท้ที่จริงก็คือการหมุนไปของขันทัตญาจตนะที่เป็นไปยังไม่ขาดสายของเราเนี่ยขันทัตญตนะธาตุของเราไม่ยอมตัดสรู้สัจจะได้ด้วยตนเองได้สักทีใช่ไหมของเราตัดสรุเองไม่ได้เพราะเราไม่ตั้งบา ร, รมีสิบตั ว, ต ว, ตวหนุนเนื่องขันของเราไว้เนี่ยต่อไปหนุนไม่แสดงว่าตั้งพลาดมากใช่ไหมตั้งใหม่ ตั้งาบารมีสิบตั้งบารมีสิบนี้ว่าโดยปรมัตเป็นปรมาตหมดไหมทานบารมีก็คือปรมัตเศนบารมีคือปรมัตเนาะเนคขม่ก็คือปรมัตปัญญาคือปรมัตนะไม่ใช่สัตว์บุคคลเลยเหมือนเราไปให้ทานเนี่ยเอาไม่จังคือดินน้ำไปเราไหมเนี่ยสีกินรถโอชาธาต์ใช่โอถวายแล้วถวายอวิถีพกรูปแที่เขาสมมุติอะไรก็ว่ากันีเนียเนี่ยเนี่ยแสดงว่าเนี่ยนี่เราเราให้ปรมัตเป็นฐานได้อะไรมาถวาย ก็รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอาการที่ถวายว่าเจตนาความจงใจตรงนั้นคือเจตนาไม่คือนามธรรมนี่อันนั้นในนามธรรมนั้นเป็นสังขาระขันอนามะขันเกิดขึ้นเวทนาขันก็เกิดสัญญาขันก็เกิดสังขาระขันวิญญาณขันก็เกิดอ๋อนามะขันเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะในกาภูมิต้องตั้งอยู่บนรูปละขันอ๋อที่จริงก็คือถ้าธรรมามองก็โอ้โหขันในยตนาธาตุน้นะกาลังหมุนมาแล้ว ก็กําลังนําะไรไหมเขาบอกว่าขันห้านําเอาวินิโพกรูปมาให้แก่ขันนะใช่ไหมขันห้าเป็นผู้รับขันห้าเป็นผู้ให้สัตว์บุคคลไม่มีอ่ะใช่ไหมความเป็นไปของขันความเป็นไปของอยายตนะธาตุเท่านั้นแต่ความเป็นไปของขัอนอายตนะธาตุนี่โดยความเป็นวิปัสสนานะโดยความการวิจัยนะไม่ใช่บาปบุญไม่มีนะแต่ไอ้บารมีเหล่านี้ต่างหากที่จะเป็นตัวหนุนเนื่องกระแสขันเนี่ยให้เป็นปัจจัยแก่ความพ้น จากวัฏฏทุกข์เพื่อเราปรารถนาอะไรว้างขอให้เป็นปจัจจัยความตัศนุใช่ไหมจะตัสรูุแบบไห น, นสาวกับพุทธปะปเจกับพุทธะหรือสัมมาสัมพุทธะเห็น ไ, ไหมอันนี้คือฐานรองรับพุทธะเหล่านั้นก็คือสภาวะหมดเลยอันนี้พูดโดยการสภาวะแหมอย่างนี้ถ้าวิจัยอย่างเนี้ยตัณหามาะที่ติไม่อิงเลยโอ้พัญญามากกว่านั้นเนอทวิจัยอย่างนี้ได้ไแล้วโอ้โหนี่ไม่ติดข้องเลยอ่ะให้แล้ว ให้แล้วกับยิ่งได้ปลาโมวดปีปติปัสสติแล้วก็รู้ด้วยนะปลาโมวดปีปติปัสสติความสุขสมาธิเหล่านั้นก็ล้วนจะเป็นนามธรรมทั้งนั้นเลยโอ้พิจารณาอย่างนี้แท้จริงนามธรรมเหล่านี้เกี่ยวข้องกับบัญญัติอย่างนี้อันนี้คือกลุ่มปรามาสนี้กลุ่มของบัญญัติบัญญตัญญติและปรามาสก็ไปด้วยกันอย่างนี้เอ อ, อย่างนี้นะเริ่มเข้าใจ ช, ชัดเจนขึ้นมาอย่างนี้โล่งไหมเข้าใจแบบไม่โล่งเลยเนาะไม่ปวดหัวด้วยถ้าพอไเข้าใจสัตว์บุคคลเนี่ยความปวดหัวตามมาเยอะ อ้าวเดี๋ยวคนนั้นอย่างนี้คนนี้เงี้ตามมาเยอะนะสมมติมันอยาตามมาเพียบเลยตนนี้มองเห็นเยอะนะนี่คือสภาวะาการตัดสรลยอริยสัตติคือพุทธะแล้วสภาวะคืออะไร ส, สภาวะของอริยสัตว์สภาวะของทุกข์สภาวะของเหตุให้เกิดทุกสภาวะพันิพาณคือความดับทุกข์สภาวะของอริยมครรคคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะสัมมาวิมาสัมมาสติและก็สัมมาสมาธิถามว่าสภาวะอริยสัจสีเหล่านั้นได้แก่อะไรฮะสภาวะของอริยสัจสีได้แก่อะไรเมื่อกี้บอกสภาวะเห็งการตัดสู้อริยสัจคือพุทธะถ้าสภาวะอริยสัจสีได้แก่ธรรมะเห็นไหมก็คือธรรมะนี่แหละก็คือธรรมะ และสภาวะการเข้าถึงอริยสัจสี่ใช่ไหมเข้าถึงตามเข้าถึงอริยสัจสตามสภาวะอันนี้คือสังขะโดยรวมก็คือว่าความดับทุกข์และด้วยสภาวะดับทุกข์เนี่ยพระรัตนตรัยก็เป็นหนึ่งใช่ไหมเคยกล่าวไว้ทีแล้วนะตรงนี้นะแต่ไม่ละเอียดและเป็นทั้งหมดของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า เราประชุมรัตนไตรได้ครบหรือยังเดียเ๋ยวนี้ครบแล้วเนาะเนี่ยลักษณะอย่างเี้ยตรงเขาบอกว่าเพราะฉะนั้นการเข้าถึงพุทธธรรมสังฆาโดยตรงก็คือการเข้าถึงความดับทุกข์ซึ่งเริ่มต้นจากปัญญาที่รู้แจ้งชัดพระนิพพานตามความเป็นจริงเนาะความดับทุกข์ก็คือสภาวะแท้จริงของพระรัตนไตรพุทธพจน์ตัดตัดวงไงมคานาาเคโกเโ สัจจานังจตุโรปรดาวิราโคเซโตดัมมานังดิปทานันจาจักขุมาบอกว่าอลไรบันดามร์เนี่ยมร์มีองค์8ประเสริฐที่สุดเนียบรญญาทางทั้งหลายเนี่ยไม่มีทางอะไรจะประเสริฐเท่าอาริยมร์แล้วทางรถทางเกวียนทางเครื่องบินทางไปไหนก็ไปไหนเถอะนะ อริยมรรคอุ้ยเสริฐที่สุดเนาะเงจริงตรงนี้เป็นสิ่งที่เรานั่งคิดได้เนาะพรนั่งรถไปมีลองที่รถทุกเนาะหัวทางนี้ไม่ประเสริญเหมือนอริยมรรคเลยแต่เราตึกนี้บ่อยๆใจน้อมเนาะนั่งเครื่องบินก็โอเไม่ก็่อยเสริฐเหมือนอริยมรรคเลยอริยมรรคเสริญกว่านี้เยอะอันนี้เราเดินไปหาชาติทุกหนิเนี่ยที่เราไปไปกันอยู่นี่นะวิ่งไปไหนก็ไปหาเลยชาติทิฐุกชราทุกมาแล้วะทุกส่วนมัชฌิมาปฏิปทาอริยมรรคนี่เดินไปพ้นจาก เ ด, ดวิดาสัจจะทั้งหลายอะไรประเสริฐสุดฮะเออสัจจะสสมมุติสัจจะไม่ประเสริฐเลยนะแล้วอริยสัจจะโอประเสริฐเลยเงี้ยนะแล้ววจีสัจจะ ก, ก็ยังไม่จารว่าประเสริฐนะนะสัจจะมีเยอะทิฏฐิสัจสจะโอยิ่งไม่ประเสริฐเยอะ